อาณาปานสติส6บหขั้นวงเล็บหนึ่งเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาววงเล็บสองเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นวงเล็บสามสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าวงเล็บสีสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าวงเล็บห้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าวงเล็บหกสำเนียกว่ า, จ ะ, า, จ, า, ว covari, วาจะรู้ชัดสุข หายใจออกสำเนีกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าวงเล็บเจ็ดสำเนีกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าวงเล็บแปดสำเนีกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่าจะระงรับจิตตสังขารหายใจเข้าวงเล็บเก้าสำเนีกว่า จะรู้ชัดจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าวงเล็บสิบสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าวงเล็บสิบอ็ดสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าวงเล็บสิบสองสำเนียกว่า จะเปลื่องจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื่องจิตหายใจเข้าวงเล็บ13บสาสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าวงเล็บ14สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าวงเล็บ15าสำเนียกว่า จะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าวงเล็บ16สําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออกสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจเข้า